ก่อนภาวนาถามก่อนใครที่หมดกิเลสแล้วยังยังมีอยู่เหรอยังมีอยู่ใช่ไหมเอออันเพิ่งรู้ตัวนะว่าตัวเองมีกิเลสเพราะฉะนั้นมันจะฟุง้งมันจะไหลมันจะปรงุงมันจะง่วงมันจะท้อ มันจะปวดมันจะเป็นอะไรก็ตามพึงรู้ว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่มีกิเลสนะเข้าใจเปล่าแต่ถ้าว่าใครใครที่หมดกิเลสแล้วก็ยกมือขึ้นแต่ถ้ายอมรับว่าตัวเองยังมีกิเลสอยู่อมันสามารถที่จะจิตสามารถที่จะไหลออกไปได้ มันปรุงได้มันคิดได้ฟุ้งซ่านได้หุดหิดได้ไม่พอใจได้สงสัยได้มันเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนี่มันเกิดขึ้นด้วยอำนาจของคิดเลสนะเออนั่งไปแล้วมันปวดนั่งไปแล้วมันเจ็บนั่งไปแล้วมันคันนั่งไปแล้วมันชามันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าร่างกายมันเป็นก้อนของทุกข์ร่างกายของเรามาเป็นก้อนของทุกข์ นั่งนิ่งๆิ่งทุกข์มันก็โผล่ยืนนิ่งนิ่งทุกข์มันก็โผล่มันโผล่เพามันตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะก็เป็นกอนทุกข์ยอมรับสองเรื่องนี้นะแล้วก็เมื่อยอมรับอย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรเกิดเนี่ยต้องมองให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่ใช่เรามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันเกิดได้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเพื่อที่จะให้ตัวรู้เขาเป็นอิสระ ไม่ใช่พอมันเกิดแล้วทําไมมันไม่นิ่งเทีว ะ, ะถ้าทําไมไม่นิ่งเทีวะสแสดงว่ามึงกําลังคิดว่ามึงหมดกิเลสแล้วเ <c oughs> ข้าใจเ่าทําไมมันไม่นิ่งเลยนะทําไมมันไม่ดีเลยนะมันจะแสดงว่ากําลังเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่ายังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมวันนั้นทำไมมันไม่เหมือนเมื่อวานทำไมมัน อ๋อแสดงว่าหลงประเด็นไหมเนี่ยหลงประเด็นแล้วเพราะเรามีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นแค่รู้เท่านั้นเองนะรู้มันให้ได้อ่ะมันเกิดการหุดหงิดก็รู้ให้ได้ว่ามันมีความหุนหิดเกิดขึ้นแล้วก็ทาหน้าที่ยกตัวรู้เข้าไปสู่ลมถ้ามันเกิดไหลออกไปไปด้วยอำนาจของความกังวลใดๆก็ แค่รู้มันได้ว่ามันกําลังไหลออกไปคิดซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของคนมีกิเลสใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันหมดกิเลสมันไม่มาถูกไหมนั่งสบายวิมุตติสุขอยู่บ้านไอ้ <c oughs> ที่มาเนี่ยเพราะามันมีกิเลสอยู่ใช่ไหมเออคนที่ไปหาพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ปัญจวัคคีห้าตลอดมาพระพุทธเจ้าสอนใครสอนคนมีกิเลสหรือคนหมดกิเลสฮะพวกชุ่มไปด้วยกิเลสทั้งนั้นเลยที่ไปฟังพระเจ้าไม่มีใครไม่มีใครหรอกโอ้ยเป็นพระอริยะเป็นพระอาด า, าหัน์แล้วไปฟังเทศจึงจะเข้ามาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่มีมีแต่พวกกิเลสหนาะมากไปด้วยความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้น บางคนก็ขี่เมาบางคนก็ชอบเล่นพ น, นันบางคนก็ชอบเที่ยวกลางคืนบางคนก็อย่างประสารีบุตรพระสมบูรณ์ละนะเขามาจากอะไรนักเที่ยวคล้ใลเพลย์บอยอ่ะรำที่ไหนไปที่นั่นมันเราขับร้องที่ไหนไปที่นั่นนั่งดูมาโหระศพหรือว่าข้าวโรงหนังเป็นว่าเล่นอ่ะดูไปดูมาดูไปดูมาดูไปดูมาเบือ่อเบื่อแล้วมันทรมานนะ คนที่เคยชอบอะไรมากๆแล้วอยู่ๆมันเบื่อสิ่งนั้นน่ะมันทรมานปัญหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้เราไปเจอพระพุทธเจ้าจึงได้ทางาออกเพราะฉะนั้นอย่าลงโทษตัวเองด้วยวิธีการที่ว่าพอมันมีความหงุดหงิดเกิดอย่าไปโกรธมันมีความฟุ้งซ่านเกิดอย่าไปโหดหูอะไรเกิดก็ช่างมันแค่รู้ว่ามันสิ่งนี้เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็ โน้มรู้เข้าไปสู่ลมทันทีอพร้อมอยัง <c oughs> อเอาเก้าสู่เบื้องต้นถ้านั่งเก้าอี้ก็อย่าพิงนะนั่งตัวตรง วางเท้าให้ดีอย่าขยับวางมือให้ดีถ้านั่งพื้นอยู่ก็ดูท่าที่ถนัดนั่งขาขวาทับขาซ้ายก็ได้หรือนั่งเรียงขาขาเรียงกันได้นั่งงเป็นบาลังปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเลย กัลลังกังอาปุจิตวาณิสีดัตินังคูบาลังูชุมกายังปณิทายะตั้งกายให้ตรงให้กระดูกสันหลังกระดูกคอต่อและศีรษะตั้งตรงจะดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าบริมูกังสติงุปตะเพตวา น้อมรู้เข้ามาเฉพาะหน้ารู้ที่ใบหน้าของตนนั่นแหละรู้โดยที่ไม่ต้องเกลือกตาดูสมมุติว่าเรารู้ที่หน้าผากดูว่ามันมีความมีตัวรู้สามารถยกยกตัวระลึกเข้าไปสู่ที่หน้าผากแล้วมีตัวรู้คลออยู่ที่หน้าผากได้ไหม ถ้าในขณะที่รู้นั้นตามันเกรง็งลูกกตาพยายามจะเกลือกเข้าไปดูด้วยนั้นแสดงว่าตัวรู้ยังทํางานไม่ถูกกิจเราก็หาวิธีโดยเอามือไปแตะที่หน้าผากแล้วให้ตัวรู้ทํำหน้าที่รู้สึกที่หน้าผากบริเวณที่มือเราเข้าไปแตะโดยที่ตาไม่กรอกตาไม่เกรง็ง ว่ ป, ปกติเวลาเราส่งตัวระลึกเข้าไปจุดใดในร่างกายตาเราก็จะพยายามมองไปที่นั่นด้วยให้เหมือนเหมือนกับว่าเราได้รู้สึกแต่จริงๆแล้วมันเป็นการพยายามที่จะมองด้วยตาเราก็จงแก้แก้ให้ตัวรู้เขาเข้าไปสู่จุดที่ที่รู้สึกนั้น ด้วยตัวรู้จริงๆให้เป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์ยกตัวรู้ข้ไปสู่บริเวณที่หน้าผากของเราสบายๆไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปเพ่งจ้องมากนะักไม่ต้องไปเกรงมากไม่ต้องไปเพ่งมากไม่ต้องไปจ้องมากไม่ต้องไปบังคับมากล้มๆสบายๆให้มันรู้สึกได้ตัวรู้สามารถรู้สึกบริเวณหน้าผากของตัวเอง พอมันรู้ได้แล้วก็ค่อยๆขยับไปทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้ตามถนัดของเราเวลาขยับตาต้องไม่กรอบนะขยับรู้ไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาตามที่ถนัดตัวรู้ก็นิ่งอยู่ที่บริเวณแก้มซ้ายหรือแก้มขวา แล้วก็รู้สึกพอมันรู้สึกได้ก็น้อมรู้เคลื่อนไปตรงบริเวณคางดวงตาต้องไม่กรอกเพื่อที่จะทำการไปมอง พอรู้บริเวณคางได้ก็เลือนน้อมกัาไปบริเวณแก้มท้ายหรือแก้มฝาตามแต่เราที่เดินรู้มาตั้งแต่ต้น ลงน้อมรู้ไปที่ดวงตารู้ที่ตาข้างซ้ายรู้ที่ตาข้างขวาลงมารู้บริเวณจมูกบริเวณริมฝีปากบนล่าง จากนั้นก็รู้โดยรวมทั้งใบหน้าไม่ต้องรู้แรงๆ ร, รู้เบาๆบแล้วก็น้อมรู้เข้าไปสู่ช่องจมูกนิ่งๆ จากนั้นหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกปล่อยลมหายใจไหลออกมาพร้อมกับตัวรู้ที่คอยสังเกตลมหายใจออกที่กระทบแล้วก็รู้สึกได้รู้ลมที่กระทบนั้นนิ่งๆอยู่ตรงนั้น รู้ไม่วิ่งตามลมออกไปไม่วิ่งตามลมเข้ามาให้ลมก็รู้อยู่ที่เดียวเหมือนคนเรื่อยไม้ที่ใช้สายตาดูเฉพาะ ที่ควันเลื่อยมันเกาะกินเนื้อไม้ที่คลองเลื่อยตาของคนเลื่อยไม้จะไม่วิ่งไปตามเลื่อยที่ดึงหรือดันแต่ข่ารู้อยู่ที่เดียวคือเฉพาะที่ควันเลื่อยมันกินเนื้อไม้เป็นคลองเลื่อยลงไปลงไปลงไปอย่างนั้นเหมือนกับรู้ลมที่กระทบ ลมออกกระทบรู้ลมเข้ากระทบรู้ไม่ต้องไปบังคับให้มันเกิดการกระทบไม่ต้องไปเพ่งมากจนให้มันเกิดการกระทบมันเบาก็รู้ไปทั้งทั้งที่มันเบามันหนักก็รู้ไปทั้งทั้งที่มันหนักมันแรงก็รู้ไปทั้งทั้งที่มันแรง หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ขณะที่รู้ลมกระทบอยู่ตัวรู้มันเกิดแลบไปที่ขาซ้ายแลบไปที่ขาขวาก็ปล่อยให้เขาแลบไปแต่เราไม่สนใจตัวรู้แค่รู้ได้ว่ามันแลบไปตัวรู้แค่รู้ได้ว่ามันไหลไปแล้วก็กลับมา รู้ลมที่กระทบหายใจออกรู้ลมที่กระทบหายใจเข้ารู้ลมที่กระทบกิจของเราตอนนี้เราทำอยู่อย่างเดียวก็คือรู้ลมที่กระทบออกรู้ลมที่กระทบเข้าลมหายใจของเราบางทีมันแรง บางทีมันเบาเราก็ไม่สนใจไม่ต้องไปบังคับให้ลมก็เป็นอย่างไรไม่เพ่งเกินไปไม่จ้องเกินไปไม่แกลงเกินไปไม่พินิจจนเกินไปดูลมออกกระทบดูลมเข้ากระทบ รู้ลมกระทบออกรู้ลมกระทบเข้าถ้าตัวรู้มันกระจายไปมากเราก็ฝึกสำรวมรู้ ฝึกสำรวมรู้เหมือนการรวมแสงให้มันไปกระจุกอยู่ตรงบริเวณที่กระทบการสำรวมรู้วิธีทำง่ายๆก็คือหายใจเข้าให้สุดแล้วก็สำรวมตัวรู้เข้าไปคอยรู้ลมที่กระทบ มันเกิดความรู้สึกเจ็บปวดชามันเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนชาตรงไหนเหน็บตรงไหนตัวรู้ก็ทําหน้าที่แค่รู้ว่ามันปวดตรงนี้มันเจ็บตรงนั้นมันคันตรงนั้นมันชาตรงนั้นแต่ต้องไม่ขยับปล่อยให้เขาเกิดกองเข้าไป ตัวรู้จะทำหน้าที่แค่รู้ว่าปวดแล้วก็วางยกรู้กลับมารู้ลมกระทบมันเน็บตรงไหนตัวรู้ก็ทำหน้าที่แค่รู้ว่ามันเป็นเน็บตรงนี้มันชาตรงนี้พอรู้เสร็จอย่างนั้นแล้วตามความเป็นจริงแล้วว่ามันเน็บมันชาตรงนี้ก็วาง ยกตัวรู้ระลึกเข้าไปสู่ลมที่กระทบมันเกิดคันตรงนี้ก็ตัวรู้ระลึกลงไปว่าเกิดการคันตรงนี้รู้เสร็จแล้วตามความเป็นจริงว่ามันคันจริงวางไว้ปล่อยให้เป็นเรื่องของการอาการของกาย แล้วยกรู้เข้าไปสู่ลมที่กระทบทำอย่างนี้จะเป็นการรู้ตรงไปตรงมาอาการปวดมันก็เป็นความจริงอาการเจ็บมันก็เป็นความจริงแต่ปวดก็เป็นธรรมชาติของปวด มันมีเหตุปัใจจัยให้เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของเราตัวรู้จะทำหน้าที่แค่รู้แล้วก็วางไว้แล้วก็ยกตัวรู้เข้าไปสู่ลมที่กระทบหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ เกิดอาการง่วงขึ้นมาความง่วงเป็นสภาวะอย่างหนึ่งความง่วงก็คือความง่วงนะไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่รู้แต่มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยเราก็แค่รู้ว่ามีความง่วงเกิดขึ้น ปล่อยความม่วงนั้นไปน้อมรู้เข้าสู่ลมที่กระทบทรรมกิจคือการรู้ลมที่กระทบออกทำกิจคือการรู้ลมที่กระทบเข้าอย่างนี้ต่อเนื่องไป ให้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ เ, าเป็นธรรมชาติมากที่สุดบางครั้งมันก็เข้าออกแบบดีๆบางครั้งมันก็เข้าออกแบบห่างางบางครั้งก็ออกก็ยาวเข้าสั้นบางครั้งออกสั้นเข้ายาวตามความเป็นจริงเรารู้ลมที่กระทบที่มันครูดออกครูดเข้า ครูดยาวคือนานคืุดข้าวคือคือครุดยาวคือนานครูดน้อยคือสั้นหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ถ้าจิตมันเกิดการวิตกหรือกังวลอะไรตัวรู้ต้องกล้าพอสาหรับที่จะรู้ว่ามันเกิดความกังวล ขึ้นปล่อยความกังวล น, นั้นไปแล้วก็เข้าสู่ลมที่กระทบปรับตัวรู้ให้เข้าสู่ลมที่กระทบได้อย่างนี้แล้วความรู้ต่อเนื่องหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ต่อเนื่อ ง, อออองไป ถ้าตัวมันเอียงซ้ายหรือเอียงหน้าเอียงขวาเอียงหลังก็ตั้งกายให้ตรงแต่เกิดกำลังรู้อยู่มันมีตัณหาจริยาคือความอยากที่จะได้ผลอย่างนั้นความอยากที่จะได้ผลอย่างนี้ความสงสัยอย่างนั้นความสงสัยอย่างนี้ก็ให้รู้ว่ามันคือนิวรมันคืออุปสรรค ในการภาวนาในการรู้ลมรู้ว่าอุปสรรคอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ปล่อยมันออกไปแล้วก็น้อมจิตเข้าไปรู้ลมหายใจรู้ลมออกที่กระทบรู้ลมเข้าที่กระทบ ค่อยคข ย, ย, ยับปลายนิ้วมือซ้ายขยับปลายนิ้วมือขวาข ย, ยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกค่อยค่อยยกมือขวาขึ้นและเลื่อนมือขวาไปวางไว้ที่เข่าข้างขวาให้จิตรู้สึกข ย, ยับนิ้วมือซ้าย ค่อยๆยกมือซ้ายขึ้นให้จิตรู้สึกเลื่อนมือซ้ายวางไว้ที่ข้อข้างซ้ายให้จิตรู้สึกยกจิตมาไว้บริเวณใบหน้าของตนรู้เฉพาะหน้าประหกหน้านิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิอนุมโมทนากันเช้า ภาคชาวหนึ่งบรลลังให้ให้จากนี้นะให้สำรวมรู้ใช้ให้เป็นในระหว่างวันจนกว่าจะเลิกให้ตัวรู้ที่มันมีอยู่ในตอนนี้เนี่ยให้เขาทำงานอยู่กับการเคลื่อนไหวกิิยาตามความเป็นจริงไม่วัวเราะไม่ไม่คุยในเรื่องที่ไม่จำเป็นไม่ไม่สนทนาในเรื่องที่ไร้าสาระ ไม่ปล่อยให้ตัวรู้โดนตัวสนุกกลืนกินคอยสำรวมระวังรู้ไว้รู้ไว้คุยในสิ่งที่จำเป็นลองดูหนึ่งวันวันนี้เสร็จแล้วก็กราบพระเที่ยงครึ่งเจอกัน